ตอนอบรมคณะคุณครูโรงเรียนกรพิทักษ์ระหว่างวันที่30กันยายนถึง5ตุลาคม2558ตอนที่ 2, 2> ก็การกราบไหว้ในวิถีไทยวิถีพุทธเราก็เป็นอุบายทำลายตัวตนนะทำให้เรานอบน้อมถ่อมตนนะก็ช่วงนี้พ่อกูจะพูดถึงเรื่องวิธีปฏิบัติจริงๆแล้ววิธีเราไม่มีวิธีตายตัว เรียกว่านานาจิตตังก็ได้แต่เราวางวางหลักใหญ่ๆวางหลักใหญ่ๆส่วนเวลาลงไปปฏิบัติแล้วทุกคนเอาเทคนิคตัวเองเอาเอาเอาความสะดวกตัวเองนะไม่มีคำสั่งว่าต้องซ้ายหันขวาหันขวาก่อนซ้ายคือขอให้เราบ่ายนี้ให้เราเข้าไปในจิตได้เราจะรู้ว่าจิตคืออะไรบางคนถามพระครูว่าจิตคืออะไร เ, เราพูดเป็นภาษาไม่ได้แต่เราเข้าไปสัมผัสเขาได้บางท่านก็เข้าไปได้แล้วเมื่อคืนพักูดูนะจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนสั่งการหรือข้างในสั่งนั่นแหะถ้ามันดาเนินเองโดยที่สมองเราไม่ได้สั่งเลยนะนั่นแ i ละอินไซเอาภาษาอังกฤษบอกอินไซเอาข้างในเป็นตัวสั่งการละนะที่ในหลวงท่านพระองค์พูดบ่อยว่าออกมาจากข้างในปัญญาอยู่ข้างใน ความรู้อยู่ข้างนอกที่เราเรียนความรู้ไงเป็นความเป็น knowledge แต่ว i s d o มเนี่ยมันเป็นตัวข้างในเป็นประสบการณ์ของเราจริงๆหลายชาตินะเดี๋ยวพรุ่งนี้มารืนนี้พระครูจะมีสไลด์หรือวิดีโอฉายให้ดูว่าอะไรคือ i n นไะซอัลนะเราแต่และชั่วโมงเราปฏิบัติเนี่ยขอให้เราตั้งมั่นไม่ต้องตั้งใจนะ ทำเล่นๆสนุกสนานแต่ตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทำนะเดี๋ยวก็เข้าไปได้ทุกคนเพราะมันเป็นสากลเป็นสากลเด็กๆก็ทำได้นะเด็กๆที่นี่อายุห้าหขวบนี่รา ล, ลึกชาติได้ละเพียงไม่ใช่ว่าเราจะไปหลงติดข้างในไม่เราไปเรียนรู้กับประสบการณ์ในอดีตเรานะไม่ใช่ไปฝึกสามี่สิปีแล้วก็มีพลังค่อยเข้าไปได้ไม่ ไม่ต้องเราฝึกมาหลายชาติแล้วมีแต่เราสร้างแรงเวี่ยงทำไมต้องสร้างแรงเวียงแรงเวี่ยงทำลายสนามแม่เหล็กโลกหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตยนะพลังงานทุกอย่างพัดลมหมุนเนี่ยมันต้องหมุนมันถึงมีพลังนะอันนี้คือพลังงานของจักรวาลอย่างหนึ่งนะถ้าในทางจิตวิญญาณขั้นตอนที่เราเกิดอาการเวียงขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าลมปราณ เราสร้างลมปานขึ้นโดยเราใช้อุบายเป็นอย่างนี้สามชั่วโมงนั้นพ่อครูเห็นกระบวนการทำงานของร่างกายกับวิญญาณนะได้ยินเสียงที่หูธรรมชาติอย่างเขาดา่าเราเห็นไหมมีหมอคนหนึ่งมาม า, มาแลกเนกับพ่อครูว่าแกไปอ่านหนังสือว่าจิตมันอยู่ที่สมองพ่อครูบอกคุณหมอเวลาฟ้าผ่าลงมาตกสมองหรือตกใจตกใจมันอยู่ที่ใจ ทุกอย่างก็ช่างเรามองเห็นปุ๊บมันก็ส่งเขาไปอยังเด็กๆ เ, เนี่ยอายุสักสองขวบหรือสามขวบยังไม่ไปโรงเรียนเขายืนอยู่นี่มีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งวิ่งมาแกไม่รู้ว่ามันคืออะไรสีอะไรเขาก็ไม่รู้เขารู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งวิ่งมาเพราะว่าเขายังไม่ไ ม, ไ, มไม่บันทึกความรู้ไม่บันทึกสัญญาว่าอันนี้เขาเรียกว่ารถเก๋งนะนี่รถกระบะนะ อนี่สีน้นสีนี่เขายังไม่มีเขารู้แต่ว่าสิ่งหนึ่งวิ่งมานะแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่พอเราเรียนรู้ปุ๊บเราก็บันทึกสัญญาไว้เรคคอร์ดเป็นโปรแกรมเราเพราะว่าเราบันทึกไว้ว่าเราชอบสีแดงบังเอิญคุณพ่อซื้อรถเก๋งสีเหลืองให้เราจะรู้สึกไม่พอใจเห็นไหมเราบันทึกความบันทึกสัญญาตรงนั้นไว้ ที่นี่ขบวนการทํางานของเราเนี่ย เ, เสียงนั้นคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามปกติมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่ตอนนี้เราไม่เห็นตอนมันดับอย่างเราดูภาพยนตร์ผู้รายเอาปืนมายิงพระเอกเราเห็นว่ามีแค่ท่าเดียวมันยิงพระเอกจริงๆแล้วท่านี้เนี่ยมันประกอบด้วยหลายหลายสิบท่าหลายร้อยท่าที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับมาถึงจะเป็นท่าเดียวแต่ว่า สติเราไม่เห็นตอนที่มันเกิดเห็นตอนมันเกิดไม่เห็นตอนมันดับเหมือนเขาด่าเราเนี่ยแหละเห็นไหมเสียงเขาด่าเราก็ทบหูปุ๊บถ้ามันจบแค่นั้นมันก็ดับแต่แต่เราไม่เห็นว่ามันดับเราปรุงแต่ก็ทบหูปุ๊บนะรูปกระทบหูปุ๊บเวทนาเกิดลงใจเลยเห็นไหมมันลงใจเลยฟ้าผ่าลงมาก็ตกใจ 26ปีพระครูนี่ฟ้าผ่าตกจิตไม่ตกใจเพราะจิตมันไม่ได้อยู่ที่ใจแล้วเวทนาเกิดขึ้นที่ใจ น, นี่คือขบวนการทำงานของวิญญาณหวิญญาณหเนี่ยถ้าเขาอยู่ที่หูเราเรียกว่าโสตะวิญญาณคือวิญญาณที่หูเขาอยู่ที่ตานี่เรียกว่าจักูุวิญญาณนะเขาอยู่ที่จมูกเรียกว่าคานะวิญญาณมันรู้กลิ่น อ, อยู่ที่ลิ้นนี่เรียกว่าชิวหาวิญญาณคือมันรู้รส อยู่ที่กายภาพเนี่ยทุกๆเซลล์เราเนี่เรียกว่ากายวิญญาณทีนี้อยู่ที่ใจเนี่ยเรียกว่ามโนวิญญาณและกล่องบันทึกสัญญาเรามันอยู่ที่มโนวิญญาณเรานอนนอนหลับสนิทบางครั้งลูกเราร้องไห้ทําไมเราไม่ได้ยินเพราะกูถามคุณหมอคนหนึ่งสเปเชียลไลเรื่องหูคุณหมอมนุษย์เราใช้อวัยวะตรงไหนเป็นตัวได้ยิน หมอบอกว่าหูเพราะคุณบอกไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่ได้ยังไงพิสูจน์ยังไงก็บอกว่าเวลาชีวิตนี้คุณหมอคงมีประสบการณนอนหลับสนิทเลยวันนั้นลูกมันร้องไห้คุณแม่ก็มาเอาลูกคุณหมอทำไมไม่ได้ยินไม่ได้ทำลายประสาทหูคุณหมอทิ้งเลยทำไมเราไม่ได้ยินเวลานั้นวิญญาณที่หูเนี่ยมันดับมันไม่รับกระแสการรับรู้ไม่เกิดขึ้น ทีนี้ถ้าเรากึ้อหลับกึ้อตื่นเราได้ยินเสียงก็เหมือนเด็กที่มันเห็นรถรถสีแดงรถเก๋งสีแดงวิงง่งมานี่นละ่ะมันเห็นแต่สิ่งหนึ่งวิ่งมามันไม่รู้ว่าคืออะไรวิญญาณที่หูก็ไม่รู้ว่าเสียงใครมันต้องไปส่งเข้าไปในเว็บไซต์เราเข้าไปมโนวิญญาณถ้าตอนนั้นเราตื่นอยู่เราบอกเอ้เสียงในแดงมันร้องเพราะเราบันทึกสัญญาเสียงในแดงแต่ถ้าเราเป็นฝรั่ง เราบันทึกเป็นภาษาอังกฤษบอกมิสเตอร์เรดไอ้ที่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันเข้าเข้าไปมารู้ที่ใจนี่คือขบวนการทำงานของวิญญาณทั้งหแต่วิญญาณทั้งหนี้ต้องอาศัยอายตนะทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอันนี้เราเรียกว่าอายตนะภายในหนะภายใน6 น, ะ น, 6 น, นี้มันแยกเป็นข้างนอกหข้างในหนึ่งคือใจ ข้างนอกคือตาหูจมูกดิ้นกายห้าอย่างนี้เป็นตัวรับผัสรับสิ่งที่มากระทบแล้วก็มันกระส่งมากระแสมารู้ที่ใจตัวข้างในใจนี่เป็นตัวรับรู้รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจก็อยู่ตรงนี้นี่คือขบวนการทำงานของร่างกายเรานะทีนี้อายจนะภายนอกหคือรูปรสกลิ่นเสียง สัมผัสอารมณ์หกอย่างนี้เราดับมันไม่ได้มันมีอยู่ตามธรรมชาตินะทีนี้ชีวิตเราเกิดมาเนื่องจากเราสร้างกรรมเขาให้เราเกิดมาใช้หนี้กรรมส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เราสร้างกุศลมามากเขาก็ให้เรามีโอกาสมาต่อยอดนะมาเดินทางไปพ้นทุกมันจะกี่ชาติหลายชาติเหลือเกินนะหลายชาติเหลือเกินเราก็มาเดินทางต่อ ส่วนหนึ่งเรามาสร้างบา ร, รมีเพิ่มส่วนหนึ่งมาจ่ายหนี้กรรมเขาก็ให้อายตนะหกเรามาเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตแล้วก็ขันห้านะทีนี้เราก็ไปอยู่กับมันแล้วก็หลงมันแทนที่เราจะใช้อายตนะเนี่ยมาป้องกันภัยมามาม า, มาป้องกันชีวิตเราเราเอามันมาเสพอันนี้ก็เพราะเพราะอันนี้ก็สวยสวยอันนี้ก็หอมหอมอันนี้ก็อร่อยอร่อ อันนี้ก็นิ่มนิมเราไปติดแล้วแต่พอเราไปเจอเสียงที่มันไม่เพาะมันด่าเราใช่ไหมเราก็ไม่พอใจเครียดทุกเนี่ยเราไม่รู้เท่าทันอายตนะอันนี้ถ้าทางศาสนาพุทธเนี่ยเขาเรียกว่าการเจริญวิปัสนาโดยใช้อายตนะเนี่ยมาเป็นเครื่องมือ นะพระราหุนบรรลุเพราะอายตนะพระราหุนฝึกอานาปณะสติฝึกยังไงก็ไม่สงบนะเพราะอะไรรู้ไหมเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยพอไปบินธบาร์ปุ๊บเนี่ยสวยๆงามๆ ม, มันเกิดขึ้นละจิตใจวาวุ่นไม่สงบภาษาเรียบวดก็นําเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เจ้ารู้ว่าราจิตผู้เจ้าก็เลยให้พระราหุนพิจารณาอายตนะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่พิจารณาไม่ตัดสิน พระลาหุนบรรลุธรรมโดยอายตนะถ้าเราสักแตวรู้เขาด่าเราเราได้ยินสักแต่ว่าได้ยินปุ๊บจบอย่าปุงต่อใครก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้อันนี้เรียกว่าอายตนะวิปัสสนากรรมฐานทำไมต้องเสียงดังนะยิ่งดังยิ่งเร็วนะ ทำให้เรามีมีกำลังจิตมันต้องมีที่ยึดให้มันแรงไม่งั้นเราสู้ความคิดไม่ได้ความคิดเรามันแทรกตลอดขนาดเต้นแรงๆหมุนติ้วๆเลยนะมันก็ยังคิดอยู่นะแต่มันคิดแต่ว่ามันไม่มันแทรกเราไม่ได้เพราะเรามี protection เรามีเกาะป้องกันภัยคือแรงเวียงแล้วถ้าบางคนฝึกนะเหมือนเราห่อได้เลยนะที่เขาวิ่งอยู่ผิวน้าอะไรๆนี่มีจริง หนังกำลังภายในอะไรอะไเนี่ยอดีตมีจริงถ้าเราฝึกจนดินน้ำลมไฟเราเป็นหนึ่งเดียวกับข้างนอกแล้วเนี่ยเราจะไม่มีน้ำหนักถามว่าเฮลิคอปเตอร์นี่มันหอได้เพราะอะไรใบพัดเราสตาร์ทเราหมุนเบาๆทำไมไม่หอ่อเพราะแรงเหวี่ยงมันไม่พอพะเราเร่งสปีดปุ๊บเนี่ยแรงเหวี่ยงนั้นน่ะจะทำลายสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเอาก้อนเหล็กเป็นพันกิโลห่ะได้เลย จิตเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราสร้างแรงเวียงให้กับเขาเนี่ยแรงเวียงเขามากเนี่ยเขาจะตัดแรงดึงดูดของใจอัยนะตาหูจมูกแลวก็ความคิดเนี่ยเขาจะอิสระเขาจะเข้าไปสู่จิตในจิตนี่คือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะแต่แรงเวียงพลังเวียงอย่างเดียวไม่พอเมื่อเรามีสว่า น, นท่านเคยใช้สว่านแล้ว เ, เจาะ ป, ปูนซีเมนต์เข้าไปเนี่ย มันต้องใช้แรงหมุนใช่ไหมมันเจาะเข้าไปบางทีมันเจอเหล็กมันเจอหินนี่มันก็ติดทุกวันนี้เขาก็เลยมาเพิ่มโรตารี่เห็นไหมแรงสั่นจะเทือนแต่ตกๆแตกไปด้วยหมุนด้วยแตกๆแตกไปด้วยมันก็กระเทาะตัวนั้นแล้วก่อนที่มันจะติดมันก็ดึงออกมาอีกมันก็เข้าไปใหม่ๆนะเหมือนเราเจาะน้ํามันนั่นแหละแรกๆก็ใช้แรงกระแทกกระแทกลงไปได้ระดับหนึ่งแต่เข้าไปลึกๆแล้วต้องใช้แรงหมุนด้วยเนี่ยเราใช้พลังงานของจักรวาลทุกอย่าง ที่มีในร่างกายเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อปลดปล่อยจิตเราบางคนว่าจิตหลุดพ้นดวงตายแต่มันหนีไปไหนเราจะไม่ตายเหรอเออมันไม่ได้หนีไปไหนมันหลุดพ้นจากความเป็นาธาตุของใจอันนี้พระครูบอกไว้ก่อนนะไม่ใชไ่ไม่ใช่เราฝึกนะเราฝึกมาหลายชาติละบางคนเวียงไปเวียงมาเนี่ยออกมายืนอยู่ข้างนอกมานั่งเห็นตัวเองนั่งอยู่อันนี้เขาเรียกว่าถอดกายทิพย์ ถ้าเราทำได้ระดับนั้นมันมีประโยชน์ระดับหนึ่งคือว่าให้เรารู้ว่าเราไม่ใช่ไอ้คนที่นั่งอยู่ที่นี่ไอ้ร่างกายนี้ไม่ใช่เราเราคือจิตวิญญาณแต่บางคนหลงมันไปเที่ยวไหนก็ได้นะออไม่ต้องขอวีซา่าไม่ต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินนะอันตรายอย่าไปเล่นเดี๋ยวกลับมาเขาเอาไปเผาแล้วไม่มีร่างเข้าถ้ามันออกมาแล้วรีบเอาข้อไปคืนอันนี้มันเป็นอภิญญาอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางผลทุกข์ แต่มันมีประโยชน์ให้เรารู้ว่าเราเป็นใครคนจีนเขาพูดคำหนึ่งภาษาจีนกลางบอกเหยนสื่อหลิงผู้สื่อหมายความว่าคนนี่ต้องตายมันมีอายุขของมันแต่จิตไม่มีวันตายถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วพอให้ร่างกายมันตายเนี่แล้วไม่มีเหตุผลที่จะร้องไห้เราไม่มีวันตายร่างตัวนี้มันเหมือนรถยนต์คันหนึ่งมันมีอายุขของมันเห็นไหมพอเราถูกระวันที่หนึ่งเราเปลี่ยนรถคันใหม่ทำไมเราดีใจ เมื่อเราจะเปลี่ยนร่างใหม่ทำไมเราต้องเสียใจละ่ะทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจความจริงเนี่ยเรากำลังจะเริ่มไปเรียนรู้กับอาจารย์เราอยู่ข้างในแล้วนั่นแหละไม่ต้องไปถามใครไปถามอาจารย์เราอยู่ข้างในและอาจารย์ของแต่ละท่านต้องไม่เหมือนกันแต่ละดวงจิตนี่ฝึกมาหลายชาติแล้วมีหลายวิชามาก แต่สุดท้ายเขาจะเอาวิชาหลักของเขาที่เด่นที่สุดนั่นมาต่อยอดให้จิตปัจจุบันนี่คือตัวปัญญานะมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนไม่ใช่ความรู้ที่เราเรียนรู้กันนะปัญญาไม่ได้อยู่ที่ภูเขาหิมาลัยหรืออยู่อินเดียอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปหามันทุกดวงจิตมีพุทธจิตอยู่แล้วมีอยู่แล้ว เข้าไปในเว็บไซต์เราแล้วไปเรียนดูนะเดี๋ยวสองวันนี้พอกูจะฉายอะไรให้ดูนะบางคนชาตินี้ไม่เคยฝึกโยคะเลยไม่เป็นแต่เนื่องจากว่าร่างกายเรามันมีความบกพร่องจิตมันก็เข้าไปโปรแกรมที่เขาเคยเป็นโยคียสมัยก่อนเนะ่ยเขาเก า, าโยคะเขาเนี่ยมาสอนจิตปัจจุบันสองวันแรกระบมไปหมดเพราะร่างกายมันไม่คุ้นเคยใช่ไแต่ทาไปทามาเนี่ยเราจะเล่นโยคะเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วก็ไม่ใช่โยคะที่เราฝึกแบบทุกวันนี้ทีละท่าทีละท่านะไม่ใช่หลายร้อยหลายพันท่าอยู่ในเดียวกันเลยเขาบูรณาการหมดเลยชาติที่แล้วบางทีเราเป็นวิศวกรตายปุ๊บเราลืมเกิดมาปุ๊บไปเรียน ABC ใหม่ชาติก่อนหน้านิ้เราเป็นอาร์กิเท็ตเจอร์เราเป็นสถาปัตย์ตายแล้วเราก็ลืมชาติโน้นเราเป็นวิทยาศาสตร์แต่มันลืมหมด เกิดมาปุ๊บค่อยแหกปากลองก็มาเรียนเรื่องเก่าๆพอเรารีวายไปนี่แล้วก็ไปลื้อฟื้นวิชานั้นมาให้จิตปัจจุบันแล้วลื้อฟื้นหลายๆวิชามาเป็นวิชาใหม่ของเราเนี่ยเพราะลําพังวิชาใดวิชานหนึ่งมันปลดปล่อยจิตเราไม่ได้นี่คือตัวปัญญานี่คือโฮลิสติกโฮลิสติกไม่ใช่แค่เอาร่างกายอย่างเดียวนะต้องจิตวิญญาณด้วยทีนี้จิตวิญญาณมันก็มีหลายระดับ แต่เราไม่ต้องสนใจว่ามันระดับไหนเหมือนเราหลงป่าถามว่าเราต้องทำอะไรไปฝึกวิชาสมาธิสติไหมให้เสือมันมากินใช่ไ้ยรอไฟไหม้ป่าใช่ไมไห ม, ไมสิ่งที่เราต้องทำอย่างเดียวเท่านั้นคือหาทางเดินออกจากป่าให้มันเร็วที่สุดแต่ตอนเดินออกจากป่าเราต้องใช้สมาธิใช้สติต้องใช้ถ้าเดินไปไม่ใช้สมาธิก็ขัดขาตัวเองลม ไม่มีสติก็ชนต้นไม้ตกเหวตกบอ่อต้องใช้ยิ่งใช้ยิ่งชำนาญไม่ใช่ไปฝึกนี่คือมรคจิตนะแต่ตอนนี้เราไปติดบ่วงเอาเรื่องปฏิบัติจิตวิญญาณก็เอาความคิดแบบตรร ก, กะแบบวิชาการเนี่ยเอามาสอนทีละขั้นทีละขั้นนะมีครูบาอาจารย์มาแลกกับพ่อครูแลกเปลี่ยนกับพ่อครูนะูะบาอาจารย์อวุโสมากก็มาแลกเปลี่ยนนะ ท่านบอกว่าแนวทางพวกคูนี่มันก้าวกระโดดเนี่ยระวังหน้าขึ้นบันไดมันตกลงมาพรกครูบอกถูกแล้วต้องทีละขั้นแต่อย่าไปถามว่าปฏิบัติมากี่ปีนะต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติและที่ปฏิบัติมาทั้งหมดทิ้งเลยเหรอสมัยในอดีตเราจบปริญญาโทแล้วมีเหตุผลไม่จะจับมาเรียนอนุบาลใหม่เมื่อจิตมันอิสระมันก็ไปต่อเอกใช่ไหม มันจะไปไปเรียนใหม่จิตเขารู้เองและจิตแต่ละดวงนี่เราเรียนมาไม่เหมือนกันสภาว่าไม่เหมือนกันน่ยใครรู้จิตเรารู้เองว่าจะต้องทำอย่างไรแต่ตอนนี้เราวิชาความรู้แบบทุกคนเป็นแพ็กเกจเป็นแพทเทิร์นตายตัวทุกคนต้องเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดนั่นแหละไม่ได้ว่าใครนะน่าเสียดายมากบางทีลงทุนบวชสามสี่ห้าสิบพรรษานะ ก็ไปติดไอ้รูปแบบอยู่ตรงนั้นหละก็ไปไม่รอดก็ออกมาแต่งงานแบบนี้นะแต่งงานไม่ได้ผิดเป็นสิทธิแต่เราไปอุตสาหทุ่มเทผูกจิตแล้วล้วก็ไปติดบ่วงวิธีการตรงนั้นนะจนลืมเป้าหมายว่าเรามาปฏิบัติเพื่ออะไรนะคำตอบคือเพื่อพ้นทุกเรามีทุกกายกับทุกใจสองอย่างส่วนเราจะทาได้แค่ไหนไม่ต้องไปสนใจ ออจากทุกมากให้มันทุกน้อยหรือว่าบา ร, รมีเราสร้างมาปุ๊บมันก็ทุกหมดเลยเนี่ยอันนั้นก็เป็นผลพลอยได้นะไม่ต้องไปรอชาตินะปฏิบัติให้ชาตินี้ยังไม่พ้นทุกให้มันสุขไว้ก่อนทุกวันนี้เราจนอยู่ดีๆเขาก็มาสอนให้เรายากจนเราสุขตามอัตภาพเขาก็สอนให้เราทุกเพราะความอยาก ทำไมบอกจนอยู่ดีๆพ่อคูมา26ปีก่อนที่นี่พ่อกูมาทันนะที่นี่บริสุทธิ์มากชาวบ้านแถวนี้นะลงไปในเขื่อนมีป่ากินเข้าไปในปา่ามีหน่อไม้มีเห็ดนะไม่ต้องมีสตังก็อยู่ได้เขาจนอยู่ดีๆเห็นไหมทีนี้เรามาสอนเขาว่าให้มันไม่เจริญมันไม่เจริญนะอา้าวสอนวิชาการไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อให้มันเจริญ เขาไม่ได้เรียนรู้วิชาหาเงินเขาไม่เรียนรู้วิชาพัฒนาเงินบริหารเนี่ยเขาก็เลยขาดทุนตอนนี้ยากจนละเพราะเป็นหนี้ละถูกยึดที่ยึดทางเห็นไหมเขาจนอยู่ดีๆเรามาพัฒนาจนเขายากจนทำไมจนอยู่ดีๆเขาไม่ทุกข์เขาจะตื่นกี่โมงก็ได้เขาจะขยันเขาจะขี้เกียจเขาไม่ต้องไปฟังคําสั่งใครเห็นไหม ตอนนี้เนี่ยพัฒนาไปพระธรรมารนะจากความจนกลายเป็นความยากจนนะ <c oughs> ก็พก่อครูต้องพูดบางอย่างเพื่อให้รู้ว่าทําไมเราต้องเสียเวลามาปฏิบัติเพื่อแก้ชีวิตเราแก้ปัญหาชีวิตเรานะถามว่าชีวิตคืออะไระคนโบราณก็บอกชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยา ก, กําลังสู้กับใครยุคนี้เราสู้กับใครรู้ไหมครับ สู้กับเสือกับช้างกับสิงโตไม่สู้กับมนุษย์ด้วยกันเองเพิ่มอาวุธทางปัญญาเพื่ออะไรเพื่อจะห้ำหัน่นเพื่อจะเป็นเครื่องมือทําลายมนุษย์ด้วยกันเองแค่คิดเฉยมันก็บาปแล้วไม่คิดเฉยนเฉยนะี่ยทำจริงๆเลยเป็นภาษาทุนนิยมวัตถุนิยมเลยแค่คิดเฉยก็ผิดศีลแล้วเธอก็มีอาวุธฉันก็มีอาวุธว่า เธอก็เก่งฉันก็เก่งมันก็เท่ากันเหมือนเก่าทั้งหมดคือเราไม่เข้าใจว่าชีวิตคืออะไรนะเนี่ยพวกครูบาอาจารย์นั่งอยู่ที่นี่นะเราลองดูนะชีวิตคืออะไรเราลองหายใจเข้าลึกๆดูสิแล้วลอง จ, จินตนาการว่าถ้ามันหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกมันไม่ออกมาเลยแค่สามนาทีห้านาทีเป็นยังไงเขาเรียกว่าตายใช่ไหม ชีวิตเราอยู่แค่นี้ชีวิตเรามีแค่นี้ถ้าหายใจออกแล้วมันไม่เข้าอีกเขาก็เรียกคำว่าตายไงมันไม่ได้ยากนะนี่ชีวิตเราอยู่ปัจจุบันไม่ใช่อยู่ที่อนาคตอดีตก็ผ่านไปแล้วเรามีหน้าที่ทำปัจจุบันเนี่ยยังไม่พ้นทุกข์ก็ให้มันสุขไว้ก่อนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เราถูกกิเลสครอบงำไง เราถึงจะต้องเสียสละเวลาเนี่ยมาสร้างกำลังให้จิตเนี่ยหลุดพ้นออกจากบ่วงตัวนั้นแล้วต่อไปชีวิตเราจะดีขึ้นไม่ต้องมีอะไรได้เพิ่มเติมนะพวกคุูมาใหม่ๆมีลุงคนหนึ่งขยันมากเป็นอดีตทหารผ่านศึกขุดดินตีสองก็ไม่หยุดเพราะอยากได้ไปกู้หนี้ยืมสินไปซื้อสามล้อเครื่องมา ตื่นเช้ามาก็เอาผลผลิตนี่ขี่ไปขายทางานตั้งแต่เช้าจนถึงสตีสามอะไรเนี่ยทุกวันน่ะยิ่งทำยิ่งนีเยอะเห็นเขาเขาคำนวณไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาไม่ได้คิดค่าแรงตัวเองเขาไม่คิดว่าตัวเองต้องกินต้องอยู่เห็นปลูกแค่นี้ใส่ปุ๋ยแค่นี้ขายได้แค่นี้เขาบอกเขากาไรแค่นี้มันมันได้ไม่คุ้มเสียกับตัวเองที่ต้องใช้จ่าย ใช่มพ่อกูพ่อกูได้ยินบอกไปเรียกเขามาเขาด่าเลยนะพรุ่งนี้จะกินอะไรยังไม่รู้เลยัยงมานั่งหลับหูหลับตาเขาก็มีเหตุผลนะแต่สุดท้ายเขาเจอปัญหาเขาแก้ไม่ได้จริงๆเขาก็เข้ามาหาพ่อกูเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาเนี่ยเป็นยังไงรู้ไหมสมัยก่อนเอาของไปขายแล้วเนี่ย เดินทางมาถึงบ้านไปถึงครึ่งทางเพื่อนเรียกมานี่มานี่อจอดพวกเราเรียกว่าเซเว่นในหมู่บ้านมันไม่ใช่ชื่อเซเว่นจริงๆเอามาขวดหนึ่งเหล้าขาวขวดหนึ่งมีเงินจ่ายอยู่เพราะขวดที่สองนี่แปะโป้งไว้พอกลับไปถึงบ้านเมียถามหาเงิน เ, นเก่งน่ตบเมียด้วยอย่างเงี้ยพอมาร่างเวียงแล้วเนี่ยจิตมันรู้ไง อาเจียนอ้วกแตกอ้วกแตนเขาเรียกว่าดีท็อกดีท็อกสันดานออกมาในแงก่กายภาพเชื่อว่าเราติดบุหรี่หรือว่าติดยาเสพติดมันดีท็อกนิโกตีนออกมาอันนี้ไม่สำคัญนในเรื่องกายภาพมันดีท็อกกระบวนการสันดานออกมาเสร็จแล้วกินเหล้าไม่ได้ตอนนี้ไปทางานได้เงินมาเหมือนเก่า เพื่อนเรียกบอกเฮ้ยฉันมีทรลาฉันปวดท้องก็กลับมามีเงินให้เมียทุกวันฉันรักเธอเธอรักฉันโดยไม่ต้องมีรายได้เพิ่มมันมีปัญญาแล้วเห็นไหมใครจะไม่รู้ทุกคนรู้หมดเราเรียนรู้หมดมกินเหล้าก็ไม่ดีผิดศีลต่างหากผิดศีลเราไม่เราไม่เชื่ อ, อ, อกินแล้วสุขภาพมันก็ไม่ดีไงสุปรีเราก็รู้เป็นมะเร็งก็รู้สมองรู้แต่จิตไม่รู้เราก็ยังไปสูบอยู่ เรามีแค่ความรู้แต่ความรู้นั้นเอาคุณหมออีกเหมือนกันล่ะเพราะคุณหมอรู้เรื่องสรีระร่างกายสุขภาพหมดก็มาที่นี่พอนั่งปุ๊บวิ่งเข้าไปในป่าสุบรีพอมาบอกคุณหมอสอนคนไข้สุบรี่ไม่ไมครับแล้วคุณหมอสูบทําไมความรู้ที่เราเรียนรู้สุขศึกษามาเนี่ยรู้จริงไหมถ้าเรารู้จรงิงเราไปทําร้ายตัวเองทําไมเห็นไหมเนี่ยความรู้ทุกวันนี้มันแค่นั้นแต่คุณหมอฝึกไปแล้วเนี่ยมันเกิดปัญญามันถึงวางได้ไง ถ้าไม่มีปัญญาเราระวังไม่ได้นะเพราะความอยากมันหลงติดแล้วไงถ้ามันเกิดปัญญานะทุกคนอย่าห่วงนะเอมันจะเกิดหรือเปล่าปัญญามีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมไม่นั้นไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้เกิดอยู่ในร่างมนุษย์ผู้เิเรามีทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะฉลาดเข้าไปเอามาใชา้ เนี่ยอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปข้างในและพ่อครูถือว่าพ่อครูไม่ต้องพูดถึงยิ่งกว่าโชคดีเกินกว่าโชคดีอีกนะถ้าไม่เจอสิ่งนี้นี่ยังงมเข็มในมหาสมุทรอยู่ยังเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ชีวิตต้องสู้สมมากก็สู้ตายสู้จนวันตายวันจะตายยังตายไม่ลงเรียกลูกเรี่ยงหลานให้มันสู้ต่อกลัวมันไม่ทุกข์เหมือนเรา จิตซึ่งมีปัญญาต้องสู้ให้มันเป็นไม่ใช่สู้ให้มันตายเยาวชนเราทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่โรคมะเร็งนะไม่ใช่โรคหัวใจนะที่มันตายมากที่สุดในเมืองไทยเนี่ยโรคญี่ปุ่นโรคซูซูกิฮอนดา้าตายตายตายตา ย, ตา ย, ตายโคงตายหมดมีประเทศเดียวนี่ที่พั ก, กูดูแล้วหลายปีเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยมันน่าเศร้าใจนะ สงการอย่างนี้ปีใหม่อย่างนี้รู้ล่วงหน้าเลยมันจะตายตำรวจเต็มบ้านเต็มเมืองก็เอาไม่อยู่มันตายด้วยโรคญี่ปุ่นซูซูกฮิฮอนด้านี้ถามว่าเกิดจากไวรัสอะไรมียารักษาไหมไม่มีกินปุ๊บเออมันเลิกนิสัยซิ่งมีไหมไม่มีมียาไหนกินปุ๊บโรคกดลงมันหายไปไม่มีนั่นละต้องบริโภค ธรรมะโอสถและโอสถอยู่นี้อยู่ที่ไหนไปอินเดียดีไหมไปภูเขาหิไหลด์ีไหมมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ข้างในจิตเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำว่าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังเข้าไปข้างในเข้าไปในเว็บไซต์จงเอามันออกมาใช้เถอะชาตินี้เราเรียนเก่งแค่ไหนก็ได้แค่ชาตินี้มันกี่ปีอ่ะอายุ70ก็ได้มีประสบการณ์เจ จิตวิญญาณข้างในมันผ่านมารู้กี่ล้านชาติแล้วแล้วก็ของจริงๆเนี่ยมันผ่านมาหมดถูกบ้างผิดบ้างเป็นประสบการณ์อย่างยิ่งนั่นล่ะคือกล่องปัญญาไปเอามาใช้แล้วเราจะไม่โง่อีกนะเราจะไม่มีเหตุผลจะทำให้ตัวเองทุกข์เลยมบางคนบอกว่าเราเห็นแก่ตัวอะไรเนี่ยนะมีแต่ไปแย่งชิงคนอื่นโกงคนอื่นคนแบบนี้ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะ คนแบบนี้เรียกว่าคนโง่คุณกําลังเดินทางไปสู่นรกคุณทําร้ายตัวเองมันจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไรคนเห็นแก่ตัวต้องไม่ทําร้ายตัวเองเห็นไหมกิเลสมันหลอกเราตลอดเนาะไม่ต้องห่วงหรอกว่าไม่มีใครไม่มีกิเลสเนี่ยทุกคนมีหมดมีมากมีน้อยมีทีนี้มันมีผู้รู้ตั้งแต่โบราณเนี่ยจะเป็นาศาสนาในกระชั้งเออท่านเข้าไปเห็นมาไง ท่านก็แบ่งปันสิ่งที่ท่านไปสัมผัสมาเนี่ยบังเอิญว่าไอ้ภาษาที่ท่านส่งสื่อให้เราเนี่ยมันหยาบเกินไปพูดปุ๊บทุกคนสว่างพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันโดยเฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยนะพระ อ, องค์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำรานะเพราะตำรามันบันทึกเปนรู ป, ปรของภาษาภาษามันหยาบเกินไปพูดปุ๊บที่จะเข้าใจเหมือนกันเห็นไหมจบปริญญาเก้าด้วยการจบด็อกเตอร์ทางศาสนาด้วยกั น, กกนคนหนึ่งแปลนิพนานว่าอัตตาคนนึ่งแปลว่าอนัตตา คนนึงบอกเดี่ยวซ้ายคนนึงบอกเดี่ยวขวาแล้วจะไปฟังใครเหรอมีมาถามผมแล้วเอ๋ถามพ่อครูผมไม่เข้าใจแล้วพ่อครูว่านิพานเป็นอัต arna ตาเ น, นี่ยถ้ามันยังเป็นอะไรอยู่มั น, มนเรียกว่านิพานไม่ได้มันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่มีอะไรที่จะต้องเรียกมันไม่เกี่ยวกับอัต arna ต า, ต า, ตาไม่ได้เป็นอะไรเลยเห็นไหมมันไม่ได้เป็นอะไรนิพานยังไม่ใช่นิพานเลยจะเป็นอะไรไม่มีชื่อเรียก บางเอเราสมมติชื่อเรียกตรงนี้เนี่ยถ้าไม่สมมติด้วยมันก็บันทึกไม่ได้เห็นไหมมันก็หยาบเกินไปแล้วผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งเชื่อตำลาเห็นไหมอย่าพึ่งเชื่อคนที่เราศรัทธาเป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยถ้าครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านไม่โกหกเราอยู่แล้วแต่ท่านเปล่งเป็นภาษาออกมาเนี่ยมันหยาบเกินไปแล้วเราจะมินเบตัวการเข้าใจผิดฟังหูไว้หูปฏิบัติด้วยตัวเราเอง เดี๋ยวอาจารย์เราอยู่ข้างในนั่นนั่นแหละอาจารย์จริงๆของเราเขาถึงจะรู้ว่าจิตเราเป็นอย่างไรเขาถึงจะรู้ว่าร่างกายเราวันนี้เป็นอย่างไรต้องใช้เทคนิคเวลาไหนต้องใช้โปรแกรมไหนเนี่ยมาจัดการอย่าใช้สมองโง่ๆงของเราเนี่ยไปสั่งจิตเด็ดขาด26ปีพระครูไม่เคยใช้สมองโง่ๆอายุ66ปีเนี่ยมาสอนจิตที่พูดพูดตรงนี้เนี่ยไม่มีใครสอนใครนะไม่บังอาจ เราเอาอประสบการณ์ทางโลกทางธรรมมาแบ่งปันส่วนทุกคนต้องทำเองเดินเองครับแล้วบังเอิญว่าเรามาเจอแล้วละ่ะไม่ใช่ทางลัดเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่ทางตรงจะไปอ้อมทำไมละ่นะกายเวทนาจิตทำกายในกายเวทนาจิตในจิตทำมาทำก็เข้าไปตรงๆแล้วเริ่มจากกายนี่คืออายตนะนะ สร้างแรงเหวี่ยงอย่างรถยนต์คันหนึ่งรถเราเนี่ยจอดไว้นา น, านๆเห็นไหมเราไปทุรลา ต, ต่างประเทศพอกลับมาแบตเตอรี่มันหมดเราจะทำยังไงสตาร์ทก็ไม่ติดเข็นใช่ไหมตอนนี้เรากำลังเข็นเมื่อเข็นติดแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นไปขึ้นไปนั่งเราเปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้พอเราใส่เกียร์ปุ๊บบางทีมันดับเพราะว่าแรงมันไม่พอเราต้องเร่งเครื่อง เร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจับเร่งให้มันเร็วขึ้นนะก็ใส่เกียร์ไปเลยขอครั้งเดียวก็พอขอครั้งเดียวเปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตแล้วต่อไปเราจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ไปเอาประสบการณ์เราไปเข้าในเว็บไซต์เราเนี่ยเอามาใช้กับชีวิตปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องลังทธินิกายอะไรทั้งนั้น ไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเด็กๆ ก, ก็ทำได้มันเป็นสากลนะเสียงมีอิทธิพลเราทำไมพวกครูไม่เลือกรูปนะคนที่เขาเลือกรูปเขาเขาใช้วิธีไปเพ่งกสิณไปเพ่งไปเพ่งไปเพ่งเพงเพ่งเพงแสงเทียนเพ่ ง, พ ง, พ ง, ง, พงอะไรนั่นเขาเขาเอารูปมันได้สมาธิได้สติ ได้ความสงบชั่วคู่แต่มันเร่งสติไม่ได้มันต้องใช้เวลายาวนานสะสมพลังนะพุทโทนี้คืออะไรคือลมหายใจเข้าออกเนี่ยคือกลิน่นไม่มีแม้แต่หนึ่งอย่างไม่เกี่ยวกับอียตานะว น, นจะตั้งชื่ อ, อยังไงยังไงแล้วบอกพุทโทมีเฉพาะเมืองไทยนั่นแหละกับประเทศข้างๆบ้า ง, างไปที่อื่นเขาไม่มีหรอก ในพระไตรปิฎกก็ไม่มีคําว่าพุโทโธยุบหนอพองหนอนะแต่ไม่ได้ผิดนะมันเป็นครูบาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยอวราพุโทโธเนี่ยหลวงปู่มั่นอาจารย์ใหญ่เราอีสานเนี่ยเป็นคนใช้อุบายตรงนี้ตั้งชื่อลมหายจริงๆแล้วก็คืออาณาปานาสตินี่แหละลมหายใจนี่คืออาณานะเราต้องพัฒนาอาณากลายเป็นปานะสร้างลมปานขึ้นมาเนี่ยรถรถยนต์ต้องสตาร์ทเครื่องให้มันติดไม่งั้นจิตมันไม่มีพลังเห็นไหม เหมือนรถยนต์มันติดแล้วเนี่ยเออเหมือนเฮลิคอปเตอร์หมุนใหม่ๆมันก็ติดแต่มันห่ะไม่ได้เราต้องเร่งให้มันเร็วขึ้นเร่งสปีดเร่งสติหมุนกองร้องของธรรมะจักรธรรมะจักรสูเราเห็นธรรมด้วยธรรมะจักรสูคือตาในจักรุูภายในไม่ใช่มองตาเนื้ออย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เห็นจักรสูภายในเราต้องเร่งสตินะหมุนกองร้องนี่แหละคำตอบว่าทําไมต้องหมุน เมื่อแรงหมุนมันเกิดขึ้นเนี่ยทีนี้เราก็มีเครื่องมือแล้วอารมณ์ไรเกิดขึ้นวเราเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเหวี่ยงทิ้งเรากลำลังชาระมันใช่ไหมบางท่านมาอยู่ดีๆไม่ชอบเข้าไปในจิตทำไมก็เข้าไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไงเห็นไหมทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสสามประสานทำดีก็ดีแล้วอย่าไปติดดีละชั่วก็ดีแล้วแต่ถ้าละดีทำดีละชั่วก็เสมอตัว กรรมเก่ามันก็ยังอยู่นี่เก่ายังอยู่เราต้องขัดเก่าจิตให้ผ่องใสเห็นหเราไปขัดเก่าเอาต้นเหตุเอาสาเหตุเอาไวรัสที่ทำให้เราไม่สงบเอาไวรัสที่ทำให้เราเกิดทุกออกมานี่แหละเราต้องมีเครื่องมือเดินทางของจิต น, นะนี่คือคำตอบนะแล้วพ่ะครูทำไมเลือกเสียงเสียงเราเร่งให้ได้ช้าก็ได้เร็วก็ได้นะแล้วก็ผู้ปฏิบัติ ไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมานะยึดเสียงเนี่ยเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองแล้วก็มุ่งมั่นไม่ต้องมีการกระทาอะไรเกิดขึ้นนะสิ่งนี้ถ้าพ่กคูไม่เจอสิ่งนี้นะ่พะพ่อคูก็ปลดปล่อยชีวิตตัวเองไม่ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะบางคนบอกว่าอุ้ยยังวางไม่ได้ลูกยังเล็กอยู่เ อ, อติดภาระเป็นหนี้สินอยู่คำว่าวางไม่ได้แปลว่าทิ้งภาระหน้าที่ หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่การทาหน้าที่คือขนทางมุ่งสู่อรุ่งพนวางความยึดมั่นถือมั่นวางความกังวลห่วงใยทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอย่างมีความสุขนะไม่ใช่วางแล้วก็ทิ้งทั้งหมดมาอยู่ในป่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะบางคนเพื่อนพ่อครูเองและตอนนี้ก็ตายไปแล้วล่ะ กอนน่าจะเกษียณอายุเป็นนายพลเป็นอะไรเป็นเศรษฐีเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรมาที่นี่มากินข้าขวกับพ่อครูมือหนึ่งเพราะเขาบอกว่าต่อไปเกษียณจะอยู่ยังไงไม่มีอํานาจวาสนาแล้วไปเลี้ยงหลานที่บ้านเขามองภาพว่าเขาคงทุกข์มากนะก็บอกว่ามาปฏิบัติเขาเขาจนเขาจํายอมในภาษาที่พ่อครูเป่งออกมาเขาบอกมีเหตุผลรอหลังเกษียณค่อยมาปฏิบัติ เพราะครูก็ถามว่าไม่ได้แช่งนะคุณจะรู้ได้ยังไงคุณจะตายหลังเกษียณบางคนยังไม่เกิดเลยเขาก็แทงแล้วบางคนเกิดมาก็ตายแล้วบางคนสิบหปีขี่มอยสิ่งก็ตายแล้วอย่าปาัญหาดเนงานการก็ทําไปปฏิบัติก็ปฏิบัติตีคู่กันไปไม่ใช่ไปรอหลังเกษียณไม่ใช่แยกส่วนแบบนั้นนะยัง คุณครูเนี่ยสอนเด็กนักเรียนอยู่ก็ตั้งมั่นสอนมีความสุขการสอนนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมจิตเราจดจ่อกับสิ่งนั้นมันสะสมแต้มนะบางคนกําลังกวาดกวาดกวาดอยู่บรรลุธรรมเลยนะสมมติว่าเรามีสะสมแต้มมา99แล้วมันเหลืออีกแค่หนึ่งอย่างนี้นะเพราะเรามีสมาธินั้นปึ้งเลยนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตาหรือว่าอยู่ในศาลาอย่างเดียวนะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสมาศาลานี่เรามีโอกาสเข้าไปในศาลาสระสังของเก่าเราเร็วหน่อยหนึ่งเห็นไหม แต่อยู่ข้างนอกนั่นเราก็ปฏิบัติธรรม24ชั่วโมงคืออยู่ปัจจุบันขับรถก็อยู่กับการขับรถเดินก็อยู่กับการเดินไม่ต้องจ้งใจว่าอู้ขวาซ้ายไม่ต้องอันนั้นเป็นการฝึกแล้วก็รู้ว่าเราเดินแต่ตอนนี้เราทําอย่างนั้นได้ไหมเดินไปด้วยคิดไปด้วยนึกไปด้วยคือ hey, เมื่อวานนี่ไม่น่าจะพูดอย่างนี้เลยเอ้ยพรุ่งนี้ฉันจะไปทําอะไรเนะี่ยเราไม่ได้อยู่กับการเดินอันนั้นแหะไม่ได้ปฏิบัติธรรม อันนั้นคือปฏิบัติตามกิเลสปฏิบัติทั้งก็คือชีวิตประจําวันเราเนี่ยแหละสะสมแต้มไปเรื่อยๆเมื่อเรามีแต้มเรามีพลังตรงนี้นะบางทีอารมณ์ข้างนอกมันแทรกมาเนี่ยมันกระทบไม่กระเทือนเรามีเกาะป้องกันภัยแต่ถ้าเราทําไปด้วยคิดไปด้วยปุ๊บเผลอปุ๊บยกตัว อ, อย่างว่าเราขับรถอยู่ไปคิดที่เรื่องที่เราเกิดเคยโกรธเลยเนี่ยอารมณ์โกรธมันแทรกมาปัจจุบันน่ยมันจะ มีผลกับการขับรถของเราขาดสตินะนะีความคิดจะสร้างอารมณ์ถ้าเราไม่ระวังอยู่ปัจจุบันเนี่ยความคิดมันจะแทรกตลอดเวลานะชีวิตเรายังต้องคิดอยู่เราต้องแก้ปัญหาถูกต้องถ้ า, เ ว, าเวลาไหนมันต้องคิดนั่งคิดอย่างเดียวเลยคิดลงนั้นให้มันแตกฉานสังเกตไหมแม้กระทั่งการคิดเลยเราไม่ได้คิดอย่างเดียวคิดปุ๊บ คิดเรื่องกอ่อแซ่บเป็นเรื่องขอด้วยเป็นเรื่องงอด้วยนะทีหนึ่งหลายอย่างเนี่ยนะเราเป็นอย่างนี้ตลอดไม่มีพลังถ้าเราตั้งมั่นตั้งโจทย์กับการคิดนั้นตั้งโจทย์ไปเลยเนะี่ยเมื่อสมาธิตั้งมั่นสติตื่นรู้ปัญญาไหลามาเทมาเลยทุกวันนี้พ่อครูไม่ต้องใช้ความคิดเออจะจําเป็นต้องสร้างศาลาเหตุปัจจัยจะเป็นพระครูก็มายืนดูจิตพ่อครูมัน มันดูต้นไม้ทุกต้นเลยมันดูเลยดูเลยทำอย่างงี้มันจะเบียดเบียนต้นไม้มากน้อยแค่ไหนน่าจะเป็นยังไงยังไงเดี๋ยวมันสเก็ตป้าปุ๊บสิบนาทีออกแบบเสร็จแล้วไม่ต้องผ่านความคิดมันออกมาจากข้างในนะเราจะเอามาใช้ประโยชน์กับเรามากหรือเกินนะชีวิตเราเนี่ยไอ้ปัญหาที่มีปัญหามันจะกลายเป็นไม่ใช่ปัญหา นะอันนี้ก็พราครูจะเน้นเรื่องนี้จะให้รู้ว่างานเราก็เยอะแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วแล้วทาไมต้องเดินทางมาไกลบอกโอ้พอคูทําไมมาอยู่ไกลจังอันนี้สุดอีสานใต้สุดเลยนะจุดที่เราตั้งเนี่ยอยู่ชายแดนเลยนะลงไปทางนี้เขื่อนสิรินทรไปทางนู้นกะลาวนะไปถอยไม่ได้อีกแล้วนะพ่อครูไม่ไกลหรอกอยังใกล้กว่าอินเดียตั้งเยอะแยะ พระคูไปอินเดียเมื่อสองปีก่อนนะหลังจาก20ปีเขาบอกออกไปข้างนอกก็ไปนะถ้ามีความหวังพระกูหวังนะพระคูจะผิดหวังคิดว่าไปเป็นเมืองไปเมืองแม่ไปบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธองค์จุดกำเนิดของพุทธศาสนาวัดวาลาไม่ว่าจะชาติไหนก็ช่างเนี่ยกลายเป็นแค่รีสอร์ทให้คนนักท่องเที่ยวไปพักนะครูบาอาจารย์ไปเรียนที่นูน่นจบดอกเตอร์ก็เป็นแค่ไกล ไม่ได้หลักทําอะไรกลับมาเลยกลับมาไปเมืองจีนนะไปตามรอยพู้เจ้าอีกไปวัดวาลาอนอเนกสายมหายานเขาเนี่ยเกือบทุกวัดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้องซื้อตั๋วเข้าไปไหว้พระคนจนไม่มีสิทธิ์ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นพุทธพาณิชย์ไปหมด ก็ใช้คําว่าน่าเสียดายเกิดมาเจอสิ่งดีๆแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราจะแพ้าการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมันแข่งขันกันแรงมากทุกคนจะเอาเงินเป็นตัวตั้งไ ม, มไม่เพราะครูไม่ได้บอกว่าเงินไม่ได้สําคัญนะมันเป็นส่วนประกอบของชีวิตอย่างหนึ่งยิ่งตอนนี้เนี่ยเขาเอาเงินมาแลกเปลี่ยนตรงกลางเนี่ยเราเราเราทำงานเพื่อชีวิตแต่ตอนนี้ชีวิตเรามันต้องเอาเงินเป็นตัวกลางเนี่ยแต่ต้องใช้เงินให้มันเป็นอย่าใช้ให้มันตาย นะอย่าไปทุกข์กับเงินนะมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ที่ไเอซีเนี่ยแรกๆทุกคนมีปัญหาส่วนตัวคุณเล็กวนีรานก็จัดโปรแกรมว่าโอเคใครมีส่วนตัวมาคอนเซ้ลกับพ่อครูมีสตรีท่านหนึ่งเพิ่งแต่งงานไม่นานกำลังตั้งท้องท้องแรกพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วย ว่าก่อนแต่งงานสามีก็ดีดีพอแต่งแล้วมีลูกแล้วก็ไม่ได้ชั่วร้ายอะไรก็บอกมิจฉไปตีก็เออตกีก็สิบแปดลุ้มก็เลิกซะฝ้ามืยก็มาไม่เที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วตัวเองต้องมาทำงานกลับบ้างก็ต้องไปทำงานบ้างคือน้อยใจว่าสามีไม่ดูแลถามว่าไปตีก็ผิดกฎหมายไม่ไม่ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหม แล้วไม่อีกอครอครัวหนึ่งลูกเมียจนมากเป็นไข้ไม่มีเงินพาไปหาหมอพ่อบ้านเสี่ยงเป็นเสี่ยงเสี่ยงตายผิดกฎหมายไปเป็นขโมยไปขโมยเงินเข้ามาก็พาลูกพาเมียไปหาหมอพ่อบ้านสองคนนี้พ่อครูถามว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่ว คุณครูใครดีใครชั่วคนไปตีก็ไม่ผิดกฎหมายเลยนะเป็นสิทธิ์ที่ไงแต่คนเป็นขโมยนี่ผิดกฎหมายนะถูกจับนี่ติดคุกเลยเขายอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อจะช่วยลูกเมียเขาตอนนี้บางทีเราคนผิดกฎหมายเนี่ยคิดว่าเป็นคนชั่วชาคนติดคุกก็เป็นคนเลว หรือเราแน่ใจว่าเราเรียนกฎหมายเนี่ยเราไม่ไม่ผิดกฎหมายเราเป็นคนดีทั้งหมดใช่ไหมเอาอะไรมาวัดนะกฎหมายเหตุเป็นแค่ข้อตกลงกันเมื่อมันล้าสมัยแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะตอนนี้เราไปทุกข์อยู่กับกฎหมายกฎอะไรอะไรเนี่ยนะพะ่อครูเคยอบรมตำรวจพ่อครูบอกพ่ะครูไม่ได้ยึดหลักกฎหมายนะพะ่อครูยึดหลักกฎแห่งกรรมแต่ไม่จําเป็นพ่ะครูไม่ล่าเลือกฎหมายแต่บางครั้งพ่ะครูผิดกฎหมาย ตนลุงคําดีสายแหววเกษตรกรดีเด่นเนี่ยใช้ติ่งแตกตีสองลูกเขาก็มาปลุกพ่อครูสมัยก่อนมีรถพ่อครูคันเดียวในหมู่บ้านนะพ่อครูพากันไปโรงพยาบาลเนี่ยผิดกฎจราจรพ่อครูขับเร็วมากเพื่อช่วยชีวิตพ่อครูผิดกฎหมายแต่พ่อครูช่วยชีวิตแต่พอตํำรวจจับได้ถ้าจับได้พ่อครูก็ยอมเสียค่าปรับพ่อครูก็ไม่ได้ผิดอีกทำตามกฎหมายทําบุญให้รัฐบาลด้วย สำคัญเราจะมีเจตนาที่จะไปทําผิดอย่างนั้นทีนี้เราไปทุกกับกฎหมายกฎหมายกฎหมายแล้วเราไม่เอาชีวิตเนี่ยเห็นไหมยอยู่ที่นี่หลายปีเพราะกูเรียนดูเยอะมีครั้งหนึ่งน้องขีไปบวชที่พี่เลยไม่ชีเพราะครูกปรับระหว่างทางเดินทางมาเกือบจะถึงบ้านและนีะ่อยู่ศินลินทร น, นี่ละมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเมาเหล้า เซไปเซมาเราก็ขับจ้าดูนะแล้วก็ลงข้างทางนี่ตีลังกาไปหัวแตกพวกกูก็จอดบังเอิญข้างหน้าก็มีมอเตอร์ไซค์สวนทางเขาก็เห็นเขาเด็กหนุ่มสองคนก็มาช่วยพวกกูแบกคนนี้ขึ้นมากระบะหลังรถตำรวจนอกเครื่องแบกคนหนึ่งเขาก็ขับรถมายุดนะเอาไปขับขี่มาเอาไปขับขี่มาพวกคุณจะเอาไปทำไม เห็นแต่คดีไม่เห็นคนเด็กหนุ่มสองคนว่าเขาไม่ได้ชนมันตกไปเองตำรวจก็จะขับรถบอกคุณอย่าเพิ่งหนีนะคุณเป็นเจ้าหน้าที่นี่มาช่วยกันพาเขาไปโรงพยาบาลเขาหนีเลยเพราะกูต้องขับส่งเขาย้อนกลับไปเที่ยงเพอพี่บูลไปส่งเรียบบานแล้วก็แจ้งเขาบอกว่าเออมันตกอยู่ตรงนั้นตรงนี้สังคมไทยเรากล้าทำความดีไหม ถ้าวินาทีนั้นไม่มีพยานแล้วเป็นยังไงมันจะเอาแค่ใบขับขี่่ะแทนที่เราจะช่วยกัาเหลือคนเจ็บสังคมมันเป็นอย่างนี้ไงใช่หไหมละ่ะนั่นแหละคุณครูปัญหาไม่ใช่ประเทศไทยทั้งโลกที่มนุษย์เราคุยกันไม่รู้เรื่องชิงดีชิงเด่นกันฆ่าแกงกัน สร้างอาวุธนิวเคลียร์ขังกันนิวเคลียร์เพื่อสันติถ้าอยู่กับฉันเป็นสันติถ้าอยู่กับเธอไม่สันติแล้วมันเท่าเทียมกันยังไงถ้านิวเคลียร์เพื่อสันติจริงๆต้องช่วยกันสร้างเยอะๆมันโลกนี้จะได้สันติใช่ั้ยปากว่าตาขยิบมันเป็นอย่างนี้หมดแล้วไงเพราะคูสรุปว่าทั้งหมดคือยุคนี้เป็นยุคที่เฟื่องฟูทางความรู้ ถ้ารูว่า knowledge base แต่ขาดปัญญาขาดคุณธรรมลูกต้องมีคุณธรรมนะลูกต้องเป็นเด็กดีนะแค่อย่าทำความชั่วให้พ่อแม่เดือดร้อนเท่านั้นเองเราไม่ค่อยมีเวลาพาลูกไปทำความดีเลยความดีคืออะไรคนดีคือให้ได้อภัยได้รู้จักรับผิดชอบตัวเองกับสังคม คนคิดเป็นไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็นคนคิดเป็นถ้าจําเป็นต้องคิดคิดแต่เรื่องเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตัวเองและผู้อื่นตอนนี้คิดเก่งนะไอ้พูดเก่งนะพูดโตวาทีเถียงกันอยู่ตรงนั้นแหละคุยกันไม่รู้เรื่องนี่และเมื่อกี้พ่อกูตั้งโจทย์ว่าคุณธรรมคืออะไรเรารู้ไหมมันคืออะไร หลายปีก่อนนะหนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งทุกฉบับมีเด็กสาวคนหนึ่งอยู่กรุงเทพคลอดลูกแล้วไปทิ้งที่สะพาน ล, ลอยเขาสืบรู้ว่าแม่เป็นใครก็ไปจับแม่มาพ่อครูขาสามเด็กที่นี่สมัยก่อนพ่ะผู้เกิดกสนเปิดกศนเรียนแค่สองวันเสาร์อาทิตย์คืนวันเสาร์ต้องนอนที่นี่ช่วงกลางคืนพวกครูสอนศีลสมาธิปัญญาภาษาอังกฤษไม่สอน เด็กพวกนี้จบจบม .6 แล้วเนี่ยสมัยก่อนเราเรียนม .1 ถึงม .6 ถ้าเรียนเนแนวบทนี่หปีเราเรียนสามปีก็จบแล้วนะพอไปเรียนวิทยาลัยไม่ชี้ทั้งทางโลกทางธรรมเขาหนักมากภาษาอังกฤษต้องนับหนึ่งใหม่ส่งไปสาคนได้เกียรติยมอันดับ ห, หนึ่งทั้งสามคนแล้วกลับมาไปเรียนปริญญาโทต่อก็ได้อันดับหนึ่งทั้งสามคนเพราะเขาไม่ได้เรียนวิชาขยะท่องจําไปสอบ เฉยๆแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยเขามีศีลสมาธิปัญญานี่คือวิชาที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนมันมีสมาธิมันตั้งมั่นมันเรียนอะไรมันเรียนเร็วมันมีศีลมันมีกราป้องกันภัยไม่ใช่ไปตามเขาทุกเรื่องใช้เวลาเรื่องไร้สาระเขามีปัญญาที่จะแสวงหาความรู้ได้ตัวเขาเองนี่คือวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เขาบังคับเราเห็นหม เจ็ดแปดหมวดวิชาโดยเฉพาคนอีสานเนี่ยแค่ภาษาไทยเนี่ยนะเหมือนเขาต้องเรียนภาษาเยอรมันเลยนะมันกลับบ้านพ่อแม่ก็พูดลาวให้ภาษาไทยมันยังสอบตกยังต้องไปเอาภาษาอาเซียนอีกอะไรกันนักหนาพราะครูว่าหลงทางกันแล้วแล้วก็รู้ไงการศึกษาไทยเนี่ยแพ้ถึงลาวถึงขเขมรถึงเวียดนามเลยอายเขาไหมไม่ใช่เด็กไทยไม่เก่งนะ ไปสอบได้เหรียญทองทุกหลายวิชาเลยประเทศเล็กๆหอบมาเนี่ยมันเก่งแต่ในโยาบายการศึกษาทําให้มันโง่มันเสียเวลากับเรื่องไร้สาระลองเด็กไทยได้เรียนในวิชาที่มันชอบจริงๆอย่างจังอันนี้เขาต้องแบ่งปันเวลาเขาไปเรียนกับวิชาไร้สาระขยะไงมันเรียนเยอะเกินไปอ่ะแล้วตอนนี้ก็บอกเออจะลดเหลือห้อะไรอะไรไม่รู้จะทําได้แค่ไหนนะเออห้าแล้วไม่เป็นไรยังเอาเหมือนเก่า สตัว น, นั้นก็โรงเรียนทาเองมันก็เหมือน 8, มันก็แปดเหมือนเก่าแล้วเพิ่มอีกประวัติศาสตร์หน้าที่ศิลธรรมเนี่ยเหมือนครูที่โรงเรียนพร่อครูเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเรากลับวันที่สิบสอ น, นี้ต้องมาเข้าค่ายที่นี่มีครูอวุโสคนหนึ่งวันนั้นประชุมกันบอกว่าพ่อครูขอห้องพิเศษหน่อยห้องอะไรผมจะสอนจริยธรรมอาจารย์จะสอนอยังไง ส, ส, ส, สอนไหว้สวยๆสอนประเพณีวัฒนธรรมพาอครูบอกจริยธรรมไม่ใช่วิชาสอน เขาก็งงเป็นจริยวัตรต้องทำเป็นปกติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครูต้องยืนอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยว่า้เด็ ก, กอนนั่นแหละสอนโดยไม่ต้องสอนตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนมันเป็นจริยวัตรที่คนไทยต้องทำกันไม่ใช่ทิ้งมันแล้วค่อยมาสอนเราหลงทางกันหมดละมันคือจริยวัตรที่เราควรปฏิบัติเป็นปกติ แต่ตอนนี้เราทําลายว่านะทำไปหมดแล้วก็เอามาสอนเป็นวิชาเน่ยนะนะเนี่ยเอาเป็นว่ามันไม่ง่ายเพราะครูก็รู้ไม่ง่ายปัญหาโรงเรียนเราสโรงเรียนนี่ไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือว่าต้องสู้กับนโยบายหลักสูตรบ้าๆบอๆของรัฐบาลเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่ได้ยากเด็กมันก็ไม่ได้ยากแต่ผู้ใหญ่หาเรื่องให้มันยากให้มันไปแบกภาระไปเรื่องเรียนเรื่อ ง, องขยะที่มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตเลย เด็กไทยจึงโง่ไงจริงๆนล้นมันฉลาดเด็กไทยฉลาดขอให้มันมีโอกาสอันนี้ไม่ให้โอกาสเป็นไงให้มันไปแบกภาระเรียนรู้วิชาอะไรไมาดูเพื่อการประเมินของฉันจะง่ายหลักสูตรเดียวใช้ไปทั่วประเทศและเด็กอยู่ชายแดนนี้มันจะไปสู้เด็กในเมืองได้ยังไงถ้าพูดถึงแข่งขันนะนะไร้สารามากนี่ก็พูดให้ฟังแต่ว่าก็ไม่ได้หวังอะไร พวกคูเหลือเวลาหนึ่งวันเราก็ทำอย่างน้นอยๆเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยหนึ่งพ่อแม่เขาไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องเป็นภาระหนี้สินแล้วก็ปลอดภัยนะไม่มีคดีความนะไม่มีเรื่องยาเสพติดอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะเราเป็นเน้นให้มันเก่งคนดีทําอะไรก็ดีคนเก่งทาอะไรก็เก่งทำชั่วก็เก่ง คนจนคนไม่รู้เนี่ยเขาคอร์รัปชันไม่เป็นหรอกนะมีแต่คนเก่งทำมั้งละคอร์รัปชันไม่รู้จะทำยังไงเนาะอันนี้เราแลกเปลี่ยนกับคุณครูาอาจารย์เนี่ยพวกเราก็ทำได้ที่ทำเราไม่ทำตามเขาอันนี้พูดให้ฟังนะสอมสอส ม, มาประเมินเนี่ยเออเล่าายเร า, เร า, เรามีสองโรงเรียนมาประเมินที่นี่สมว่ามันมีอะไรกีลางเนี่ยได้ดีมากกว่าทุกอย่าง ตกอย่างเดียวคือมันสอบออนไน์ไม่ได้ดีมากหมดนะ เ, เขาไม่ห้าไม่เราผ่านเพราะครูบอกคีเราทําสําเร็จแล้วเพราะเราไม่เน้นเรื่องวิชาการไงมันไร้สาระนี่แหละคือบทพิสูจน์เพราะครูถามว่าสอสอว่าเวลาท่านประเมินผ่านแล้วเนี่ยเราได้อะไรเขาบอกว่าโรงเรียนขึ้นป้ายได้ที่นี่ให้ผีดูเหรอฮะขึ้นให้ผีดูเหรอ ก็ไม่เก็บเงินเท่าไหร่เอออย่างโรงเรียนครูก้อต้องต้องได้นะเพราะว่าคนในเมืองเขาต้องว่าเฮ้ยมีหลักประกันอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วหลักประกันนี้ไม่ใช่หลักประกันอะไรเลยมาเพิ่มภาระให้พวกครูเนี่ยแทนที่จะเอาเวลามาอยู่กับนักเรียนเอาเวลาไปทำเอกสารเทียมกระดาษใบหนึ่งหมายถึงโรกร้อนนะเมืองไทยเราไร้าสาลามากพวกครูประเมินก่อนวันเที่ยวที่เที่ยวสุดท้ายมาพรวกครูบอกพอ อ, อไปเชิญสอมศมาให้ประครูประเมินก่อน ไม่ใช่มาจริงๆผู้อาจารย์ขอโทษนะเอ่อน่าเป็นผู้อาวุโสเทียเกษียณนั่นห่ะเพราะครูขอแลกเปลี่ยนหน่อยอาจารย์เอาประหลอดวัดคุณธรรมมาด้วยไหมเขามองหน้ากันเ็าบอกไม่มีแล้วมาประเมินอะไรกระทรวงศึกษาหลอกพวกเราว่าคุณธรรมนำความรู้ไงที่นี่ไม่แคร์หรอกบอกปิดโรงเรียนเพราะคูหน่อยเพราะครูจะได้สบายถามว่าเอ้าไม่ผ่านแล้วช่วยอะไรบ้าง ก็ไม่ได้ช่วยอีกแล้วคุณจะไปเมินเสียตังทำไมไม่พูดให้มันตรงๆเลยอย่างนี้เลยคนไทยไม่เชื่อถือกันมานั่งจับถูกจับผิดกันอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่เกิดประโยชน์แทนที่จะเอาเวลาเอาเงินที่มาประเมินเนี่ยเอามาให้โรงเรียนเขาทุ่มให้กับเด็กมันมีประโยชน์มากกว่าอีก มันอาจจะมีอยู่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดของนายกรนายกแต่คิดเป็นเปอร์เซนเต์นทั้งประเทศแล้วนี่มันจีบจอยนะกลัวมันล่วไหลนิดหนึ่งทีนี้ก็ไปเสียค่าใช้จ่ายมากๆแล้วมาทําเรื่องไร้สาระทําให้ครูไม่พออยู่แล้วทําให้ครูไม่ขอมากขึ้นวันดีคืนดีนะอย่างด็อกรอาจองชุมสายเป็นดรมไม่ให้เป็นครูนะต้องไปเรียนวุฒิครูให้มันโง่ก่อนแล้วค่อยมาเป็นครูได้ <c oughs> ไม่ใช่อย่างนี้จริงๆนะ่ะ เขาจําเป็นด็อกเตอร์สร้างเครื่องล่อนไปถึงดาวอังคารเนี่ยคนแรกของโลกนะแต่เป็นครูไม่ได้เพราะเธอไม่โง่เหมือนฉันเธอต้องไปเรียนวุฒครูให้มันโง่ก่อนค่อยเป็นครูได้เพราะครูเจออุปสรรคอย่างนี้อย่างอื่นไม่มีปัญหาเ ม, เมืองไทยเราเสียเวลากับเหล่านี้ไงเด็กเป็นเหยื่อมักง่ายออกหลักสูตรเดียวกันควบคุมแบบเดียวกันไง สวัสดีเด็กคนนี้ไอคิวมันสูงมากไม่ได้มึงต้องรอเพื่อนไ <c oughs> อ น, นี้ไอคิวมันต่ามากไม่ได้มึงต้องทำให้ได้เราไปฝืนความจริงทำไมไอที่ไปก็ไปก่อนเลยไอที่ไม่เราก็ลดเพดานมาให้มันได้ใช่ไหมอันนี้ตั้งม า, มาตรฐานอย่างนี้อย่างนี้นะนี่คือความคิดที่ไร้สาระเนี่ยเอาความรู้มาบริหารไม่เอาปัญญาปัญญาต้องรู้แจ้งว่าความจริงมันเป็นอย่างไรเด็กไทยไม่ได้โง่ จริงๆขอให้มันมีโอกาสเถอะแต่ไม่รู้ใครทําให้มันโง่นะพวกเราต้องทํางานหนักมากอะไ ร, รไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยเราเรียนมากเพราะว่าอันนี้ก็ครึ่งถังครึ่งถังครึ่งถั ง, งไม่มีวิชาไหนมันเต็มสักถังเพราะว่ามันต้องแบบรับภาระเยอะเกินไปเห็นไหมญี่ปุ่นก็เริ่มมีปัญหาเนี่ยนะเด็กมันตั้งโจทย์ว่ามันทำไมต้องไปโรงเรียนถ้าไปโรงเรียนแค่ไปนั่งท่องจำไอ้ไอ้พวกข้อมูลทั้งนี้เนี่ย มันต้องการรู้มันเข้าอินเทอร์เน็ตมันก็รู้หมดแล้วไงมันหมดสมัยแล้วเห็นไหมพวกครูก็พูดพูดพูดเนาะพวกเจ้านายใหญ่ตัวมาพรกะูพูดเขาบอกโอ้ยชอบชอบหามาตั้งตลอดชีวิตกลับไปก็เกษียณแล้วไงพอมีอำนาจก็่อกเกษียณไม่กล้าทำอะไรเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้26ปีนะบอกสงสารเด็กยากจนนะแต่ที่นี่เขาไม่กล้าปิดโรงเรียนครูหรอก ปิดแล้วไปคุยกับผู้ปกครองเขาเองนะใช่ไหมบอกเราคุยกันเราเป็นคนไทยด้วยกันสมอสก็คนไทยนะเพราะกูรู้เขาก็ทําตามหน้าที่แต่หน้าที่เขาถูกบังคับว่าต้องทําแบบนี้ยังไงโอเคนะโรงเรียนเที่ยวนี้น่ะได้ดีมากหมดทุกหมวดทําไมโอเน็ตมันสอบตกรู้ไหมหนึ่งเราไม่เน้นสองวันไหนฝนตกฉันไม่มาโรงเรียนเพราะว่าหน้าที่หลักของเขาเนี่ยพ่อแม่ก็เอาลงไล่นา นั่นคืออาชีพหลักเขาก็ถูกแล้วไงน่ะคุณประเมินมาชัดเจนเลยแต่สมมติว่ามันมีสิบข้อเราได้เก้าข้อดีมากบวกลบคูณหารแล้วเราได้เกสมันให้เราสอบตกไงมึงเอาอะไรมาคิดไปให้ความสำคัญความโง่นั้นเป็นหลักนะโอเน็ตส่วนโรงเรียนด่านเม่นเราเนี่ยนะดีมากดีนะเออ ไม่ได้ดีจริงๆหรอกบังเอิญบังเอิญโอนเนตมันผ่านมันก็ให้ผ่านไงนี่คือความไร้สาระแล้วคุณบอกให้มีคุณธรรมเราเน้นเรื่องคุณธรรมคุณธรรมเราได้เต็มร้อยหมดเห็นไหว่ า, าให้เราตกก็ไม่เป็นไรอันนึงได้อันหนึ่งตกก็ไม่มีอะไรใหม่ไม่มีรางวัลเลยไอ้ที่ตกก็ไม่มาช่วยไอ้ที่ได้ก็ไม่ให้กําลังใจและประเมินให้มันเสียสตังทําไมเห็นไหมเรื่องนี้มันต้องพูดเสียงดังๆออกไปนะ อย่าเผอเชิญพ่ครูไปบรรยายก็แล้กวกันไะม่พ่อครูนะหลายปีก่อนครูยังออกงานอยู่กระทรวงศึกษาเชิญไปบรรยายที่กระทรวงศึกษานะตอนนั้นดรลุ่งแก้วแดงเป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่พครูพูดต่อหน้าเลยอคุณธรรมสมัยก่อนก็ความรู้คู่คุณธรรมเออมันไม่ไม่ได้ผลต้องเอาคุณธรรมนำหน้าคุณธรรมนำความรู้พ่อครูถามว่าวิชาไหนบ้างสอนให้เขามีคุณธรรม เมื่อกี้เล่าเรื่องแม่เอาลูกไปทิ้งเลยนะที่สะพานลอยเพราะคุย้อนกลับมาที่เก่าเพราะคุก็ถามเด็กกศนว่าลูกที่บ้านเลี้ยงไก่ไหมเด็กมันนอกเลี้ยงหมดล่ะเลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงข้าเออเวลามันออกไข่มันออกตีละฟองไหมลูกมันออกหลายฟองมากเลยเออถ้าเรามีชะลอมไว้ที่สูงนี่มันจะเลือกที่สูงนะถามว่าทําไมมันป้องกันสุนัขสัตว์เลื้อยคานไปรบกวนมันแล้วมันออกไข่แล้วมันทํำยังไงมันฟักไข่มันออกเป็นลูกแล้วทํำยังไง มันก็ฆ่าลูกมันออกมาแล้วก็พาลูกมันสอนทำมาหากินพราะกรูถามเด็กๆว่าเคยเห็นแม่ไก่มันวางแผนเอาลูกไปทิ้งสะพานลอยไหมมันบอกไม่ค่ะเพราะแม่ไก่มันมีคุณธรรมคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติไม่ต้องสอนมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันหายไปไหนมันถูกความรู้ผิดซึ่งแฝงด้วยความโลภโกรธหลงน่ะบล็บอกไปหมดเลยนี่คือคุณธรรม มันไม่ได้ไปโรงเรียนใช่ไหมไก่เห็นไหมแต่ถ้ามันไปโรงเรียนนะบางทีมันเอาลูกไก่ไปทิ้งสะพานลอยนะเพราะมันถูกไอ้หลักสูตรบ้าๆบอๆเนี่ยสอนให้มันเห็นแก่ตัวมันโง่ไงแม่จริงๆมันจะทิ้งลูกได้เหรอเห็นไหมไก่มันยังไม่ทําเลยนะคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติมันเป็นสามัญสํานึกเห็นไหมสามัญสํานึกจิตสํานึกจิตมันมีสํานึกอยู่แล้ว เมื่อชาเพิ่งคุยกับอาจารย์ก้อยว่าทุกวันนี้เราปลูกสํานึกเด็กยากนะโรงเรียนนะไม่ใช่ลูกเราไงไม่ใช่อยู่กับเราตลอดนะพ่อแม่ก็สอนแบบมาที่นี่พ่อแม่มีแต่ให้ลูกเก่งลูกเก่ง ล, กลูกไม่เก่งก็มาด่าโรงเรียนอีกนะนะเขาไม่ได้สอนสํานึกนะสำนึกเขาสอนว่านะมึงต้องเก่งกว่าเขามึงต้องเก่งมึงต้องเก่งเราปลูกสํานึกเนี่ยมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวามันสู้กระแสลวกไม่ได้เราต้องปลูกสํานึก ลุกจิตสํานึกเดิมให้เขาตื่นขึ้นเพราะเขามีอยู่แล้วนี่คือวิปัสนาเรากําลังปลูกจิตสํานึกก่อนที่เราจะปลูกเด็กเนี่ยคุณครูต้องถึงจะชอบไม่ชอบก็ช่างนะคุณครูต้องยอมเสียสละทําเป็นแบบอย่างต้งทนทุจรนพบสอดก่อนว่าอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์อย่าเพิ่งเชื่อคูก้อยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งปฏิเสธเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยพ่อครูก็พูดให้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อด้วย ให้มันน่าสนใจแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อเราต้องลองด้วยเกลาก่อนถ้าเราเห็นว่ามีประโยชน์ปุ๊บนั่นตัวนี้เราจะถ่ายทอดถึงลูกหลานเราเยาวชนเยาวชนเนี่ยเขาคืออนาคตของชาติมีสิ่งเดียวที่เราจะแก้ปัญหาสังคมทุกวันนี้ได้มันขาดคุณธรรมคุณธรรมมันมีอยู่แล้วแค่กระต้อเผลือกให้มันตื่นขึ้นมันจะมีจิตสานึกจิตมันมีสานึกอยู่แล้วนะอันนี้พอกู เอาประสบการณ์ที่พ่อครู26ปีถอยมาอยู่กับสิ่งนี้พ่อครูเห็นอะไรถ้ามันไม่มีประโยชน์พ่อครูจะไม่ต้องเราเป็นคนไทยนะคนไทยแม้แต่หนึ่งคนเสียเวลาคือประเทศชาติเสียเวลาเราทำให้รถกรุงเทพติดอาจารย์กรุงเทพรถติดนี่ชอบไหมมีความสุขไหม ถามกี่คนกี่คนมาจงเท็กก็บอกเหมือนกันว่ามันไม่ดีไม่ชอบพราะครูก็ถามต่อแต่ก่อนนี้คนเรายังโง่อยู่ทำไมรถไม่ติดคนทุกวันนี้ฉลาดมากทำไมทาให้รถติดที่ทำให้เราทุกรเราเก่งจริงไหมเราฉลาดจริงไหมคนฉลาดทำให้ตัวเองทุกทำไมอ่ะทาไม แต่ก่อนนี้คนเรายังโง่อยู่ทำไมเขาไม่ทำให้รถติดทำให้เขาเดือดร้อนทุกวันนี้ฉลาดมากทำไมทำให้รถติดโอเคหลังจากรถติดแล้วก็ไปเรียนวิชาใหม่วิชาจราจรวิชาอะไรๆเนี่ยยกตัวอย่างนะครับก็ยกตัวอย่างมีสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งมีสี่มุ ม, มวันหนึ่งเราจับเจ้าทาสานชาวป่าเนี่ยมาอยู่ที่มุมที่หนึ่ง กับนักวิ่ง400เมตรมาอยู่มุมที่หนึ่งให้มันแข่งกันนะเป้าหมายคือมุมที่สี่พอเรายิงปืนปั้งไอ้นักวิ่ง400เมตรมันวิ่งไปมุมที่สองใช่ไหมไอ้ทาซานมันวิ่งมามุมที่สี่เลยใครถึงก่อนกันทีนี้เราไปด่ามันไอ้ชาวป่านี่โ ง, ง่จริงๆไม่รู้จักกติกาสังคมไอ้ทาซานมันก็งง ไอ้มนุษย์พวกนี้มันบ้าไม่บ้าทางใกล้ไม่วิ่งไปวิ่งทางไกลนี่แหละวันเววันเววันเวง่าย ไ, ไปอ้อมอยู่ตรงนั้นแหละไม่รู้เราฉลาดจริงไหมคนฉลาดทําให้ตัวเองทุกทําไมเธอก็ทุกฉันก็ทุกนะพอพวกหมอพวกพยาบาลมาอบรมเนี่ยพ่อคูบอกไม่ใช่สาธารณาสุขแล้วมันสาธารณาทุกทุกทวดหน้าเพราะเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิด เมื่อจุดเริ่มต้นมันผิดทำถูกแค่ไหนก็ผิดเราไม่ได้ทำเพื่อชีวิตเราทำเพื่อสร้างอนาคตประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะก็เพื่อให้คุณครูเนี่ยเอาไปพิจารณาดูนะแล้วว่าไหนๆเราก็เสียเวลามาแล้วเนี่ยลองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะอย่างน้นอยๆเราดูได้ตาเนื้ อ, เ, อเราได้ออกกำลังกายเนี่ยเห็นไม้มเอ็กซ์ไซ กายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวีก็มีสุขละเราไม่ได้เสียอะไรนะทําไมจะไม่ลองทําดูโอเคนะแล้วก็อยู่ที่นี่อย่า ก, กลัวช่วงบ่ายเนี่เวียงเต็มที่เราจะมีพี่เลี้ยงดูและนะแต่ไปในบ้านบางทีมันไม่มีสถานที่นะข้างล่างที่พวกท่านนั่งอยู่ตรงนี้ข้างล่างเป็นทรายไม่ใช่เป็นเท ป, ปูนให้มันแข็งแล้วก็เอาเบาะทําให้มันนิ่มนะให้มันนิ่มเลยให้มันเป็นเหมือนลงยิมนะ ถึงจะล้มลงไปบ้างมันก็ไม่ถึงขั้นขนาดเจ็บอะไรมากบางครั้งเจ็บปวดร่างกายบ้างเป็นธรรมดานะเหมือนเราไม่เคยออกกำลังกายเราไปวิ่งมันก็ปวดอันนั้นต้องขันติต้องอดทนเป็นการจ่ายนี่กรรมเรานะอดเปรี้ยวกินหวานโอเคนะก็ขอบคุณมากฮะที่ใช้เวลานั่งฟัง